เรื่องสาคัญมากครับการศรึกษานั้นไม่ใช่เกี่ยกับเรียนรู้ที่จะทรงจำาะไรแยะมากพระไตริฎกหรือว่าคัมภี์ทางวิทยาศาสตร์ทางกฎหมายแท้ที่จริงผลได้สุดท้ายของการศรึ r n ัคือการบรรลุ ถ, ถึงการมีอุปนิสัยใจคอสมมุติว่าการขับรถยนต์หนึ่งครับเราอาจจะคิดเราขับไม่เป็นเราคิดว่ามันเป็นความเก่งความสามารถของพ่อเราสมมุติว่าเรายัางเด็กอยู่เห็นพ่อขับเก่งมาก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 ทำในทั้งหมดของพระเจ้านะครับโดยเฉพาะตัวพระวินัยเนี่ยเพื่อให้บรรลุถึงอุปนิสัยดังนั้นเมื่อเข้ามาในวัดดังที่ผมเล่าไปแล้วนะครับว่านอกเหนือจากการรู้จักชุมชนในเรื่องเงินใยอยู่แล้วเป็นการแสวงหายานทัศนะ์หรือยานวิเศษที่จะเห็นอริยสัจได้นี่ยก็ต้องสร้างอุปนิสัยดงนั้นพระสงฆ์เขาไม่ฝึกตย อ, อะไรมากนะครับไม่จําเป็นว่าไปแล้วไม่มีความจําเป็นต้องเรียนซือ้อหาอะไรเลยนอกแต่ตื่นแต่เช้า โชุชเนมัตตัญตารู้จัดประมาณในการบริโภคเห็นว่าพระต้องสํารวมมีสติในการฉันในการหอมจีวรในการเคลื่อนมือเคลื่อนเทา้าแม้นให้คำพูดคำจาจะให้เกิดความผิดพลาดล่วงกินผู้อื่นขึ้นนี่เป็นบทเรียนเพื่อสร้างอุปนิสัยครับต่อมาอินทรนนสีสังวรโพชเนมัตตัญตาและอินทรีสังวโรนะครับแล้วก็ชากริยามโยก พวงง่ายคือทำเป็นเครื่องตื่นนั่งแต่ตื่นเชา้ชาเชออกบินตาบาดกวาดวัดกรงอาบัดทําวัดพระอุปถัมภ์ครูบาจารย์ดูไปนละ้ทั้งหมดนี้จะเรียกสิกขาคือการศึกษาเมื่อพระบวชตัวมาห น, น, น้ามุสาวก็บรรลุถึงความมีอุปนิสัยอุปนิสัยของสมณะครับเห็นไหมชาติบทเรียนทั้งหมดนี้เพื่อให้บรรลุถึงความมีอุปนิสัยซึ่งเป็นที่ต่อให้เจงกาศฉลาดเพียงใดเนะ ถ้าไม่มีอุปนิสัยในการวาดรูปสะท้อนสิ่งสวยงามก็ก็อาจจะโด่งดังอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็วูบหายทุกวันนี้ก็พูดกันมากครับพวกนักวิชาการพูดว่ามหาวิทยลาลัยตายหมดแล้วน่าตกใจจริงๆแต่ผมเห็นด้วยในสิ่งที่น่าตกใจนี้รานศึกษาไม่อาจบรรลุถึงความมีอุปนิสัยใคร่รูยูกเลยครับในกระแสบริโภคทำให้ทุกคนไม่อยากเรียนรู้อะไรเลยนอกจากเงินอานาจ ดูพิธีกรหรือดาราภาพยนตร์เนียเหมือนเราทุกคนเลยครับนี่คือความล้มเหลวของการสร้างอุปนิสัยขึ้นมาคือลอกเลียนเงินลอกเลียนเงินเป็นชุดๆการบรรลุถุปนิสัยนั้นเป็นสิ่งเป็นภาวะที่สําคัญยิ่งยิ่งยวดนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับเมื่อคนมีอุปนิสัยมากๆเข้านะครับก็เกิดความชำนาญในมัดผลขึ้นมา โดยเฉพาะอุปนิสัยในการดูใจดูตัวเองอุปนิสัยในการรู้ตัวซึ่งเราต้องสร้างอุปนิสัยเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวแล้วหายไปเดือนหนึ่งแล้วมารู้ตัว อ, อ, อนี่ไม่เป็นการสร้างอุปนิสัยแล้วไม่เป็นศึกษาบทไม่เป็นการศึกษาครับการชัร่วนิพพานาหรือซึ่งผมเองก็ไม่เคยอยากใช้าคานี้เพราะมันเกลือแล้วน่าเบื่อว่าคำวิปปัสนาว่าคนทันท่วไปเขาจะนั่งหลับนั่งหลับรูบ้หลักตาผมยักเยอยไม่าย้คำวิทัศนานะครับที่จริงวิทัศนานั้น สับเดียววิพัสนาแต่เป็นสันสกฤตวิพัฒนาแปลว่าการเห็นแจ้งคือการสร้างอุปนิสัยใจคอเหมือนเรารักเพื่อนทีคนหนึ่งเพราะเราชอบอุปนิสัยใจคอเอาเขาไม่ใช่คนกลับต่อกลับไปกลับมาจนจับไม่ได้เขามีอุปนิสัยอย่างไรเมื่อเราตรงใจรักใครที่คนหนึ่งคือเรารักอุปนิสัยใจคอหรือเมื่อเรานั่งรถยนต์คันหนึ่งซึ่งคนขับเป็นคนที่เราวางใจเราหลับได้เลยครับเราเรารู้ว่าเขา เขาจะเป็นเขาซึ่งพร้อมกัด้วยอุปนิสัยใจขอการศา น, นั้นต้องรากฐานการศึกษาอยู่ตรงนี้ครับคือทำให้บุคคลหรือผู้ที่เข้ารับการศึกษาบรรลุถึงความมีอุปนิสัยในสิ่งนั้นนั้นงั้นการทำที่ทเรียบว่าเพีนนะครับวิทยะกเกิดขึ้นแล้วเป็นแรงขับที่สําคัญทําให้บรรลุถึงอุปนิสัย แน่นอนครับใหม่ๆมันก็ฝืนเช่นการดูรู้สึกตัวและดูดูตัวเองใหม่ๆลาบากมากเพราะเราชอบดูนนข้างนอกเม่อผมเข้าไปเรียนวิทยาศาสตรใหม่ๆนะอาจารย์ี่สอนนั้นบอกว่าดูข้าในเจ็ดข้างนอกสามหรือข้างในหกข้างนอกสี่ผมงงมากเอ้นมันแบ่งเหมือนคณิตศาสตร์ได้ด้วยหรือว่าเราไม่เคยเรียนรู้ที่นี่เลยเพราะทุกครั้งเราหลุดขั้วไปทั้งหมด พอคุยกับใครข้าก็หมดเลยหมดตัวเลยแล้วอีกทีหนึ่งสวิงมาสุดขั่วมอดูจ้องดูตัวเองเต็มที่แล้วไม่ได้ดูโลกดังนั้นเราอยู่ในลักษณะการกระทำซึ่แบ่งแยกตลอดเวลา ส, ส่วนการสร้างองค์นิสัยซึ่งเป็นตัวการศึกษาจริงๆนะครับไม่ว่าศึกษาทางโลกหรือโดยเฉพาะวิทัาศาตร์นี้คือรู้ตัวบ่อยๆครับคอรู้ตัวนีมันมัน คิด่าเป็เล่องเฉาะตัวครับเมื่อเรายกย่างเท้าข้างขวาเดินออกไปบางสิ่งไปกับเราเมื่อเรานั่งบางสิ่งนั่งกับเราผมไม่ได้พูดเรื่องิญญาณเรื่องผีพราะความรู้ตัวนี่มันสิ้นก็ติดอยู่ในตัวเรานี่ครับเมื่อเรายื่นแขนความรู้สึกตัวก็ทําหน้าที่มันทันทีหรือเราก็พิจารมีความสดใหม่ปรากฏขึ้นทันที ดังนั้นเองลากฐานของสี่ฐานสี่ที่พระเจ้าตรัสโดยย่อๆคือเมื่อเครื่อนพิกษุเครื่องมือก็รู้ชัดว่าเครื่องมือที่ฟังดูไม่มีเหตุไม่มีผลแต่มันเป็นเหตุผลอีก ด, ด้านหนึ่งของการสร้างอุปนิสัยมันเป็นเหตุผลมันนั่งคิดเชิงกนิสัยต่อเมื่อทําอย่างนั้นแล้วจึงจะรู้ผลถ้าไม่ทำนะฮะเหตุนผลแล้วเราจะไม่ไม่เห็นคุณค่ามันเลยมันจะได้อะไรขึ้นมาจากการเคลื่อนมือและรู้ตัวเคลื่อนมือนั่งรู้ตัวนั่ง มันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าเราคิดด้วยด้วยเหตุผลนะแต่ถ้าเราเทรนตัวเองที่จริงคำว่าสิกขาแปลว่าเทรนไม่ใช่แปลว่าเรียนจำนะสิกาคือการสร้างอุปนิสัยขึ้นเช่นเดียวกันขับรถยนต์นะครับแต่ว่ามี่เป็นข้างในครับเรารู้ตัวบ่อยๆไม่ว่าเราจะเดินในท้องถนนหรือในรถเมล์หรือแม้จะขับรถก็ทาได้ครับหรือสักผ้าถูพื้น แต่ที่ทํายากคือขณะที่พูดกับพูดมั น, นมันเข้าไปในความคิดง่ายนิดเดียวแต่เราคุ้นเคยมากนะครับจนกระทั่งเราเห็นการเข้ากันออกคือการมีสติการขาดสติเมื่อรู้ตัวเองขาดสตินั่นคือสตินะฮะเนื่องแปลกๆในเรื่องนี้เมื่อรู้ตัวเองว่าลืมตัวนั่นเป็นการรู้ตัวครับรู้ตัวแล้วว่าลืมตัวไปเนี่ยมันดึงกลับมาทันที่มีมสติก็รู้ว่ามีสติ เมื่อไม่มีสติตก็รู้ชัดว่าไม่มีสตินั่นคือสติมันเหมือนการฟุ้ฟักอะไรบางสิ่งครับบ่มหรือเหมือนกองไม้สองด้วยมันสีเพื่อเกิดความร้อนเมื่อความร้อนถึงจุดหนึ่งมันก็เกิดการลุกไหมขึ้นมาที่จะเปลี่ยนฐานะหรือเหมือนการเราต้มน้ําถึงจุดเดือดขึ้นมาน้ําก็แปลสภาพกลายเป็นไอจากความรู้สึกตัวง่ายนี้ครับจะค่อยๆทาแรกเข้าสู่เนื้อหามัก ยิ่งยึงไปกวบานั้นผมได้แนะนำนง่ายๆกว้างๆนะครับั้งแต่พุทธวัตรจากพระคัมภีร์สักปิ์เล่มหนึ่งซึ่งฝ่ายเศรามาทไม่คุ้นเคยคือละลิศชวิสตระซึ่งทอนวิถีชีวิตของเจ้าชายทั้งสองอย่างทั้งสองด้านคือด้านที่เป็นประดุษเทพและด้านที่เป็นมนุษย์ยนะซึ่งเป็นหนังสือที่ผมคิดว่าใกล้ชิดกับชีวิตจริงมาก เช่นตอนเจ้าชายไปเรียนหนังสือไปโรงเรียนในการไปเรียนหนังสือท่านนั้นเป็นเพียงอุบายที่พระโพสต์จะสอนเพื่อนนักเรียนร่วมรุ่นให้ได้รับความรู้เท่านั้นแล้วก็จูมือยโสธราพิมพาไปแนะนําซึ่งเป็นวิถีชีวิตคล้ายๆกับเราครับเมื่อเรามีแฟนมีผู้รักกันแนะนําให้พี่ให้น้องรู้จักดูแล้มันก็ไม่ก็ไม่ได้ประโยชน์นะแต่ว่ามันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของท่าน ซึ่งทําให้เรารู้สึกใกล้หัว ใ, ใจเราเนื่องแต่ความมีสนศรีภาพะประดอกล้าในเดือนพฤษภาความกรตันอยู่นะครับข <c oughs> ั้นสุดท้ายในชีวิตของของตรงท่านเองได้ทอนชีวิตเยี่งคนธรรมดาสามัญผมใช้คำนี้ค่อนข้างมินเมเดี๋ยวถูกพระดา <c oughs> ่าเปืงเฟืองวิจารณ์คนธรรมดาสามัญ น, นี่ไม่ได้ จริงในคำทองดาสามัตถ์ขท่านนั้นมีความเป็นอริยะอยู่ในนั้นด้วยที่ท่านรู้ว่าท่านเป็นถึงวาระสุดท้ายขอชีวิตท่านเหลียวหน้าไปดูเมืองเวสาลีแล้วก็พืนพรรมพุทธพจน์ออกมาจนปเป็นเอเพรานนทึ่งแปลกใจพืนพรมว่าโลกนี้งดงามจริงจิตรงชมพุทวีปังชมพุทีนี่หมายโลกนะไม่ได้หมายอินเดี ย, ยหมายโลกผืนภาพของโลกเนี่ย จะบอกโลกนี้งามจริงมโนรมังชีวิตท า, มาตงมนุษย์นามาชีวิตยิ่งมนุษย์ช่างน่ารื่นรมใจท่านเข้าถึงความจริงแท้แล้วเกิดความรื่นรมกับชีวิตขึ้นมาซึ่งภาพวันนี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราคิดว่าพระเจ้าก็เป็นผู้ที่เต็ ม, มไปด้วยกฎเกณฑ์ระเบียบเคร่งครัดแล้วมาบีบคั้นให้เราให้เราทําอะไรตามท่านแล้วก็ไม่มีส่วนที่ภาพผมก็ได้เสนอเห็นแล้วนะครับว่า พระเจ้าเข้าสู่ประตูธรรมเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาด้วยประสบการณ์เจนจัดในดนตรีสังคีตความเจนจัดนุ่งไวหนุ่มธรรมท่านเฉลียวใจทันก่อนที่สายใ ย, ยชีวิตจะขาดสะบ้านลงก็ด้วยสายเสียงของดนตรีที่เป็นกลางกลางและไพเราะนั่นเองคิดว่าจบเท่านี้ครับ ม, มีคำถามเมื่อไหรก็ได้ครับ อยากจะให้ค้ณอาจารย์ช่วยอธิบายที่วิธีปฏิบัติที่พระโพธิ์ที่เรียนสอนพระโพธิละี่เรื่องจัดกับเพร้าในจอมปลวกที่มีหกทางผมไม่ได้ยินนะผมมันอื้ฟั ง, ฟ, งฟังไม่ชัดคือการจัดเพ้าในจอมปลวที่มีูอยูพกูวะครับเพราะว่าคยถามพสันติพรสันติอธิบายว่าเป็นการ รูท้ทระทางหมายถึงว่าคือเมื่อก่อนเข้าใจว่าเป็นการปิดตาหูจมูกเล้งกายไป่ให้พิจารณาทิเรียิใจแต่พ่าสตัณฑ์อธิบายว่าเป็นการถ้าเรารู้ทางเนยนร้องปิดอีกห้าทางอย่างเงี้ยผมไม่ไม่นิยมที่จะปิดผ ม, มนิยมที่จะเปิดตาเรามีไว่ดูครับแล้วก็ถ้าเราขืนไม่ใช้ตาเนี่ย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 สิดด่ดีเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปทำลายตาทำลายหูหรือแม้แต่หลับหูหลับตาผมคิดอย่างนั้นนะแล้วผมก็ขอแนะนำอีกสิ่งหนึ่งก็คือความรู้สึกตัวนะดังนั้นการหลับตานี่เท่ากับทำให้โลกของความจำใสที่ผ่าน่างตาเนี่ยหายไปทั้งโลกเลยโลกแห่งแสงและรูปเนี่ยจริงอยู่หูเราจะดีขึ้นแต่เราจะทาเล่นเกม วุ่อยางนั้นทำไมครับทั้งๆ ท, ที่ลืมตาเนี่ยเราสามารถเจริญนิพพสนาได้จิตมันคิดเราก็รู้นะครับหลับตามก็รู้ลืมก็รู้ถ้าจะหลับก็หลับเพราะฝุ่นเหมือนฝุ่ได้อย่างนั้นนะครับกลไกใชีวิตเหล่านี้อินทรียศาสตร์เหล่านี้นะครับถูกสรรสร้างขึ้นมาอย่างเหมาะเจาะเราไม่มีความจําเป็นที่จะไปทําลายหรือไปคิดต้องเป็นอุปสรรคขึ้นมาไม่มีร่างกายเราก็ไม่รู้จะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างไร ผมก็เห็นวราร่างกายชีวิตนี้มันดีแล้วครับเหลื อ, อย่างเดียวเนั้นครับคือมันเผลอสติบ่อยมันที่เราเรียกวโมหานะั้นจริงๆมันก็ไม่ได้มีอย่จริงๆนะเนี่องกเราเผลอบ่อยเราเข้าไปดุยเข้าไปในเรื่องราวและทุกครั้งสังเกตมากเข้าที่บอกเข้าในความคิดแล้วทุกทันทีครับสังเกตดูระวางแผนทําอะไรทุกอย่างพอลืมตาตื่นเช้าพอเข้าในทวามคิเนี่ยอาแล้วเริ่มมันทียิ้มตนตื่นเลยทุกแล้วครับนอน เราเข้าไปในความคิดครับแล้วความคิดก็ปรุงการปรุงมันคือมันเอาความอะไรวอนอดีตเนี่ยความทรงจําเกี่ยากิ่งต่างเข้ามาคลุกคล้าวจนกระทั่งจิตใจที่ผ่งใสนั้นมัวหม่นแต่จิตใจที่มัวหม่นนั่นแหละครับก็ซ่อนความผ่องใสไว้ในนั้นด้วยเหมือนน้าขุ่นเนี่ยน้ำใสก็อยู่ในน้ําขุ่นครับเรื่องเรื่องคือเราปลุกเราไอ้ส่วนที่มันทําความกระเจางแจ้งมีแสงสว่างชนิดหนึ่งครับ ในตัวมนุษย์คือความรู้ตัวความคล่องตัวที่เราเคลื่อนมือได้อย่างสบายอย่ไงนฮะแต่สังเกตดูวันไหนที่คู่รักของเราหรือภรรยาหรือสามีว่าเราแรงๆเนี่ยลุกไม่ขึ้นเลยครับมีอะไรบางอย่างเหมือนเหมือนมีภูเขาทับอยู่เดินก็ไม่สะดวกมือไว้เคลื่อนไหวไม่สะดวกผมอธิบายอย่างนั้นไม่เป็นครับที่ให้ ปหูซ้ายข้าปิดตาสองข้างปิดปากปากไปบ้างแล้วนั่งสบายอันนี้ผมก็ว่าเป็นคาพูดเล่นๆมากกว่าอ๋อเรื่องนี่ยังไม่ได้ตอบนะฮะแต่ถ้าเป็นรู้มาไม่ใช่หกทวารเลยเก้าทวารเนีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระโพธิละที่ในน้อยสอนสโพทิละใครนียครับสะโพทิละที่ระโพธิละเป็คนที่รู้ถ้ายปไปดอกมากมายแล้วพระพุทธเจ้าเรียกว่าไบลานตาเลยสโพทิโพธิละสโพทิละ โปธิละครับอ๋อโพธิละครับพอเสร็จแล้วกพระโพธิละนี้ก็ไปหาอาจารย์จนไปได้เลนน้อยอะแล้วเมนนี้จะสอนพระโพธิละให้จิตวงังให้คล้าย ๆ, ๆที่ดูจำปัวกะ่ะครอจากี่ที่อยู่ในจำปวกกัวซึ่งมีรูปอ๋อนิยความเป็ข้อต่างที่เล่ามาครับคือเร่อง น, นี้ครับตแต่นี่สำคัญะคะั บ, <c oughs> ะบดีๆแล้วที่ถามมา ปกตินั้นเราจะไม่รู้จักกิเลสแล้วเมื่อเราไปเจริญสมถะคมกิเลสกิเลสก็ไม่โจรหน้าไมา่เห็นก็ไม่เห็นไม่รู้จักแต่ว่ากิเลสไม่ปรากฏท่านเองท่านบอกเหมือนเอาศิลาทับยายากลวงไม่ได้แต่ก็ยกหินมาลายก็งามขึ้นมาอีกทีนะฮะนั้นวิธีปฏิบัติตนเช่นนั้นไม่ใช่วิทัศนนาไม่ใช่วิปัสสนาโดยตรง จะเป็นการกระทำชั่วครู่ชั่วเล่นเป็นอุบายระงับอารมณ์เป็นอุบายแาายสวยงามความสงบช่วครู่ช่วหยามครับไม่ใช่การแตกหักกันในทางปัญญาที่นีทางที่ยังเห็นรู้จักกิเลสก็ต้องแย่ให้มันเกิดครับเหมือนเฮียที่อยู่ในโพล์เนี่ยเรานั่งเฝ้ามันไม่รอครับตอนน้าร้อนลวกเข้าไปทํายังไงก็ได้ให้มันให้กิเลสโพลมันจงได้พีนี้จะได้ฆ่ามันจะได้รู้จักมันได้เห็นมัน บางทีไม่ต้องฆ่ามันก็หายไปแล้วครับแค่รู้จักเห็นมันเท่านั้นครับดะนั้นการมัวสงบแบบสมถะก็จะได้รับผลระงรับเป็นชั่วครั้งชั่วคราวครับแต่เล่น เ, นาเอาเถิดจนจนตายครับส่วนวิทัศนาหรือที่พีเจ้าแะอนั่นนึงครับบอกแต่คำอธิบายนี่มันเมย น, นะบบางนิกายของพุทธเนี่ย เชนกายสัตว์นี่ถ้าเราไปยนินเราหงายท้องเลยครับเขาย่วยุวให้กิเลสเกิดโดยทำให้เร้จับผมตอบเท่านี้นะมากเรื่องกว่าเดียวคันมีวิธีคิดกับ ว, วิธีสำหรับความเข้าจใจของประเด็นสุดท้ายต่อปัญหานี้ก็คือเมื่อเรามีสติความรู้ตัวต่อเนื่องเน้เฝ้าดูใจนะครับไม่ต้องระวังที่หู เพราะทุกเรื่องเข้าทางหูต่างๆมันลงในโฟกัสลงที่จิตใจแล้วก็ปรากฏเรื่องราวที่ใจนะฮะแต่ว่าตาหูก็ดีแล้วที่มันได้ลืมไว้ครับได้เห็นเป็นบุญแล้วที่ได้เห็นรูปเป็นบุญที่ได้ยินเสียงนะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่ร้องมันเลวร้วายขึ้นก็ก็เป็นปัญหานิดหน่อยครับแต่ปัญหามันอยู่ที่จิตใจครับเพราะจิตใจเป็นแหล่งที่ปรุงแต่งข้อมูลเก่าๆขึ้นมาดังนั้นที่ท่านบอกว่า ให้เฝ้าดูที่ประตูใจนะเป็นคําแนะนําที่ตรงเก้านะะถ้าเราไประวังที่ตาอย่างเดียวนั้นเมื่อตาเห็นลูกศักดิ์ตัวเห็นไประวังที่นี่มันก็ย่อมใหญ่เลยมันตั้งกปรตูแต่ประตูหลักที่สําคัญมากนะฮะพอทุกเรื่องการกระทบสัมผัสนั้นมันสัมผัสที่หูที่ตาที่จมูกที่ลิ้นที่กายก็จริงแต่ว่ามันไปรวมยอดตรงที่ใจเฝ้าตรงนั้นนะครับจะได้เปรี่ยนพอนะฮะ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 เราจะไปไหนมาจากไหนอรอย่างนี้บบส่วนตัวผมเมื่อ ส, สามสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นคำถามยอดเท่เลยครับแต่ดนี้ดูเหมือนว่ามีคำถามแซกมาจะอยู่ไปทำอะไรเนี่ยแซกขึ้นมาครับแซกขึ้นบ่นบอยๆด้วยเกิดขึ้นอะไรเลยครับถ้าให้ผมตอบกว้างๆนะครับก็คือ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 พระเจ้าแล้วใครสร้างพระเจ้าแล้วท่านมีอะไรสร้างพระเจ้าก็ถูกถามอีกเรื่อยๆอยแางไม่รู้จบเลยครับแล้วเช่นเดียวกันถามว่าเราจะไปไหนถ้าคืนตอบมันก็จะวอกขึ้นไปลงถามไม่นี้จะจ บ, จบถามว่าเราคือใครตอบได้ง่ายมากมายแต่ถ้าถามว่าเราคืออะไรเป็นอะไรตอบง่ายครับคือเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอยูน่นะครับอันนั้นตอบคาถามเชิงปรัชญานี้ระหว่างนักปราชญ์ กับชาวบ้านเนี่ยมีอะไรต้องพ่จารณาช่างตวงบางทีวิธีคิดของชาวบ้านเนี่ยตรงเป้ากว่าเช่นเราตั้งคำถามกับนักปราชญาว่าชีวิตคืออะไรเขาจะตอบเป็นหลายเรื่องสมุทไทยทีเด็กครับแต่ี้สุดไม่มีประโยชน์เลยเลยมีถามนักชีววิทยาก็บอกคืออุปกรณ์สูงที่ยังไม่ตายเลยเราก็ไม่ได้รับประโยชน์เลยแต่ไปถามถามชนาะภาษาลุ่มชีวิตคืออะไรบางทีได้คาตอบ ก็สุดๆทุกทุกไงเขาเลยดังั้นเราเราควรจะลัดคาถามออกนะฮะ <c oughs> นั่นคือกลั่นกรองคําถามปัญหาที่ไม่รู้จบออกไป <c oughs> นี่เป็นคําแนะนําของพระเจ้านะครับที่ฉันบอก <c oughs> ปัญหาไม่จบนี่ถ้าคนืนคิดมากจะมองมีส่วนหนึ่งความเป็นบ้าครับกลัวไหมฮะ <c oughs> <c oughs> นี่หมวดธรรมนึงที่เรียกว่าอจินทะยอวัตถุ อจิตใจสิ่งไม่พึงคิดโลกมาจากไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในฌานแล้วเป็นอะไรอย่เงี้จะพูดกันี้กนจกเลยหรืออนาคตของโลกจะไปถึงไหนซึ่งเรามักกิวิตกกันเนเะนี่ยดังนั้นถ้าเราขืนทุ่มเทในทางนี้เราจะมื่อยล้าครับเมื่อในสุดสุดท้ายการตั้งคําถามผิดผิดขึ้นมาผมไม่ถือคําถามนี้ผิดนะแต่ว่าคําถามซึ่งมันมันจะเบี่ยงเบนออกจาก เจตนาตรแท้ๆของมุตันาเนอะผมเชื่อวันหนึ่งคําตอบนี้จะประดังประเดยขึ้นมาเนะผมตอบให้ก็ไม่ไม่ซ่่งมีประโยชน์ไม่ใช่เลี่ยงนะผมตอบได้เนอะตอบได้เป็นชั่วโมงเลยแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะเนี่ยแต่วันหนึ่งเราจะรู้เองครับว่าบางทีคําตอบของเราอยู่ว่าเราไม่เคยเกิดมาเลยก็ได้ครับ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 ทุกครั้งที่กินเข้าวโฮมจิวรนว่าให้พิจารณาหรือปฏิเบกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ศัพท์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราได้ทั้งเลยเนี่ยดังนั้นเราจะถามว่าเราไปเกิ ด, ดหรือไม่นี่เราตายแล้วถึงมันมันเดียงเด่นครับปัญหานี้เป็นอภิปัฏฐยาแล้วก็นุสนุกสำหรับนักคิดแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงชีวิตจริงๆเนี่ยปัญหานี้ลกหัวครับถึงเกตคําว่าเข้าถึงชีวิตนะ สาษาไทยคำว่าถึงซึ่งชีวิตนีแต่แปลว่าตายเคี่ยคนเข้าถึงซึ่งชีวิตนีต่เลยตายอย่างนี้นล็อกๆหัวนั่นนะครับไม่มีใครเกิดไม่มีใครอยู่แล้วไม่มีใครตายตอนน่ออย่างนี้กวนโทรศัพท์ก่อน ครือปฏิยา ท, ทางพุทธนี่ผงว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งแต่มีพวกชาวชาติพัาศาศาศาศานธุ์ชนยังมีความเชื่อว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดเกิดเกิดในลักษณะใดแล้วเดิใ น, ใ น, ใ น, ในได้อย่างไรพวกฝลั่งที่เป็นลักษณะคล้ายคายโปรเตสแตนต์ก็อยากจะรู้ว่าในลักษณะที่ท่านยืนท่จะเห็นเนี่ยยืนประดิษฐ์เนี่ย คนประถุเดินไม่ได้แม้จะออกมา น, นี่สาลบยาวมากไปโดนถึงเจ็ดเก้าแล้วก็ยังพูดอะไรว่าเราสว่างแล้วอะไรพูดเป็นภาษาอะไรเพรา ะ, ะว่าพระราชมารดากับพระพระยาชดิดารู้สึกจะคุดพรมภาษาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นี่ครับผมอยากให้ิจา้าหน้าที่ถ้ามีจำเป็นถอนออกจากอาบดเรืออะไรเนี่ยครับ สล้วก็ที่ว่าท่านอ่าบอกว่าสนาไทยเออเลื่อมแล้วเนี่ยผมเชื่อเชื่อตั้งแต่คิดว่าเออพูดโกงๆแบบพ่อแม่ผมเองก็ตามพยายามซื้อกระไดไปสวรรค์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นนครับการที่ทำบดีต่างๆอย่างที่เอาสิ่งทั้งหลายไปถาวายกับ เป็นสีจเดอะไรอย่างนี้จะเป็นเรื่องดึงให้ศาสนาเสื่อมากกว่าวที่จะเชื่อช่วยศาสนาที่เป็นความคิดใจขหงผมส่วนประโยคสุดท้ายที่พูดเมืพอกี้นี้ว่พาพระพุทธเจเนี่ยเป็นผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะตรงกับรังเค่ขงขอภายที่จะกล่าวถึงเมื่อ น, น, นักน่อยไปไปชกที่ไหนก็ตามบอกพระบารมีตกเกล่าซึ่งเคยไ่้ยินว่ะ ท่านเองเคยบอกว่าจ่าไม่ชื่เเอเลยไมนี้จะช่วออะไรไดเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เอาศาสนามาเป็นครองขึ้นเรียนทั้งพฤตินนาการรมด้วยไม่เค ย, ยว่าาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอะไราเขาพูดเรื่องต่างๆอย่างนี้นแต่วั้เคาพเรื่องมุขและสมัยนั้นก็รู้สึกว่าถ้าใครท การศาสนาค่อสิ่งที่ศาสนาได้เล <kit> ้วเขาก็ใ <imperfect> ห <ness> ้ใครกันเลี um, <t ans> ่ยงรันกกันไปโ่นสมัยนั้นมีความึกษาทาศาสนาเป็นเรื่องเป็นอย่างน้เพราะฉะนั้นเพาผู้ปกครองเขาว่าที่อยากจะสร้างพระองค์คตนนี้ก็ลองมาเจองคำให้แล้วเ็นไงแต่สมัยนี้คนไม่รู้เลยถ้ามอง ก, ก็แลแ้พระพเขาที่อ๊ใใาบนีที่สูงสุไหใครที่เกิดมาจากบ้านที่หนะมีสติมกเกัแล้วก็เอาราม่าเราไมเป็นี้ที่หน้าที่ที่ครับเป็นหนาเสียสนิทเลยแต่ท่านเองก็พยายามสอบสวว่าพระพุทธเจ้าเคยรับสที่ไหนบ้าอย่างเช่นขาเห็นครัสาที่ว่า ที่เอ่อท่สุดก็อัปเรั่องอรบางอย่างสิขณะนั้นที่จะเข้าชื่อแต่ว่าอันนี้อัปเดตเรื่องอะไรบางอย่างนี้นะครับที่จะเผย ที่เรามีปฏิกริยากับคติความเชื่อทางศาสนานั้นนับว่าเป็นสิ่งจําเป็นการท้าทายโบสถ์การตีความในทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมากในการบอกเลิกศาสนานี่ยใช้ไม่ได้เลยผมเชื่อมั่นในศาสนธรรมครับแต่ว่าการที่เชื่อทุกอย่างในพระคัมภีร์บ่งไว้เท่าเรากินอาหารแล้วไม่ยอมแยกก้างออกซึ่งเป็นอันตรายพอพอก็บอกเลิกศาสนานะครับ หลายประเด็นที่พูดมานะน่าสนใจทั้งนั้นเลยแต่ที่ผมจะท้งติงนะครับคือที่บอกว่าให้ยกเลิกเรื่องชาดกชาเด็กให้หมด <c oughs> หรือการเกิดเดินเจ็ดเก้าอะไรนี่นะที่จริงเราต้องเข้าใจรหัสสนัยยะเพราะคำพีร์ว่าของคริสไม่ว่าในไบเบิลในเจนซิสหรือปัมยุกนะครเขามีกรรมวิธีในการซ่อนมุก ถ้าถามว่าทำไมเขียนตรงๆไม่ได้มคิที่เรามีเรื่องที่ต้องพิจารณามากบอกว่าเช่นยกตัวอย่างว่าในพระคัมภีร์หลังๆบอกว่าผู้เจ้าสูสงสิบแปดศอกพอดูแล้วเอ๊ะนี่สิบคนเองแต่ ว, วิธีการเช่นนี้ครับทำให้สูอ